บทที่41อวีตาโศกพระอนุชาทํานองเดียวกันพระนางวิมังสาเทวีตรัสต่อไปบุคคลในโลกไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤลือหัดก็เหมือนพันไม้ในสวนย่อมจะมีประโยชน์ไปคนละอย่าง แล้วก็จะอำนวยประโยชน์เต็มที่ต่อเมื่อถึงเวลาอันควรเราอย่ามองอะไรด้วยใจแคบแล้วก็สายตาสั้นถ้าอย่างนั้นก็จะเห็นแต่สิ่งที่เราทำอย่างที่เราเป็นเท่านั้นว่ามีประโยชน์อย่างอื่นไร้ประโยชน์หมดในหมู่ทหารก็ไม่ใช่จะมีแต่เพียงลาวเดียวมีตั้งแต่ลาวรบอย่างเดียวจะรบไม่ได้ถ้ารบได้ก็ต้องแพ้ ทหารจึงต้องมีทั้งเหล่ารบสื่อสารช่างพลาธิการการเงินสารบันและอนุสาสนาจารย์เป็นต้นเราต้องการให้คนหลายๆพวกเหล่านี้มารวมกันทำประโยชน์เพื่อจุดมุ่งหมายอันเดียวกันอย่างนี้ตั้งหากอันหนึ่งถ้าพูดอย่างยุติธรรมแม่เห็นว่าสิ่งใดที่บุคคลทำลงไปโดยไม่ผิดธรรมประกอบด้วยสุดจริต สิ่งนั้นย่อมเป็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ของคนอื่นควบคู่กันไปเสมอส่วนสิ่งใดทำผิดทำนองคลองธรรมประกอบด้วยทุตจริตย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นมันมีผลเป็นความเดือดร้อนใจเหมือนกันหมดเจ้าแม่เดือนนี้ลูกรู้สึกว่าเจ้าแม่แก่ทำเลเกินเจ้าชายน้อยทูลมีพระอาการรำคาญ น, นิดนิด แทนที่จะพิโรธเพราะพระโอรสล่วงเกินสมเด็จพระราชชนนีกลับตรัสอย่างละมุนละไมว่าแล้วลูกจะให้แม่แก่อะไรล่ะสังขารของแม่แก่วัยอยู่แล้วลูกจะให้แก่โลภแก่โกรธแก่หลงแก่ความมัวเมาในทรัพย์และอำนาจเข้าอีกรึคนแก่นะลูกแก่ธรรมะไว้ด้วยจะดีกว่าแก่เปล่าเปล่า ถ้ายิ่งวัยก็แก่ลงไปแล้วยิ่งแก่เมาอะไรอะไรเข้าไปอีกจะอายเด็กที่เขาประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นคนอย่าให้โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะเกิดนานอย่างเดียวควรจะมีคุณธรรมมีสิ่งอันควรแก่คนจะภูมิใจไว้ด้วยอย่างน้อยๆก็ได้เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานเมื่อพูดกันมาเท่านี้ พระราชะโอรสองค์ใหญ่ของพระนางวิมังสาเทวีจอมจกักรพรรดิอโศกก็เสด็จมาเฝ้าพระราชะช น, นนีพอดีเห็นพระอนุชาและพระมารดาประทับอยู่จึงทูลถามว่าเสด็จแม่ทรงมีธุระพิเศษกับวีตโศกรือหากเป็นธุระพิเศษหม่อมฉันจะกลับไปก่อนจะมาเฝ้าเสด็จแม่ทีหลังเมื่อเสด็จแม่เสร็จธุระแล้ว ไม่มีธุระอะไรพิเศษลอกลูกคุยกันธรรมดาลูกอยู่ด้วยสิดีจะได้ช่วยกันพูดให้น้องเข้าบ้างแล้วพระชัชนนีก็ทรงเล่าเรื่องทั้งปวงให้พระเจ้าอาโศกทรงทราบปล่อยเข้าไปก่อนเถอะแม่พระเจ้าอาโศกตรัสหลังจากฟังพระมารดาจบอีกหน่อยก็จะเปลี่ยนความคิดเห็นเองเขาทนอยู่ไม่ได้หรอกคนเดียวนะ่ะนี่ เจ้าพี่วีตาโศกทูลเจ้าพี่นะ่ะเลื่อมสยพระพุทธศาสนาจนเคยสละราชาสมบัติออกบวชมาครั้งหนึง่งหม่อมฉันอยากทราบว่าบวชแล้วได้อะไรบ้างเรื่องนี้มันแล้วแต่คนนะวีตาโศกบางคนบวชแล้วก็ไม่ได้อะไรบางคนได้น้อยบางคนได้มากคนไหนบวชทำความดีมากสำรวมในศิกขาปฏิมโมกมากคนนั้นก็ได้มาก ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยมากก็เข้าใจมากนำมาปฏิบัติได้มากคนไหนสนใจน้อยก็ได้น้อยไม่สนใจเลยก็ไม่ได้เลยเพราะความดีเป็นของกลางถึงพี่จะอธิบายให้ยืดยาวถ้าเธอไม่พร้อมที่จะเชื่อก็เสียเวลาเปล่าก็ใจมันยังไม่เชื่อนี่เจ้าชายน้อยว่าก็ไม่เป็นไร พระเจ้าอาโศกตรัสความเชื่อไปบังคับมันได้เมื่อไรต้องปล่อยให้มันเชื่อเองไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรขออย่าไปทำชั่วเท่านั้นพระเจ้าอาโศกทรงสนทนากับพระมารดาอีกภาคหนึ่งแล้วก็เสด็จกลับตั้งพระไยไว้ว่าจะหาทางให้พระอนุชาวีตโศกหันมาเลื่อมสยพระพุทธศาสนาให้จงได้พระองค์ได้ประจักษ์ด้วยพระองค์เองแล้วว่า พระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศนั้นเป็นคําสอนที่ประเสริฐที่สุดเพียบพร้อมด้วยเหตุผลและมีผลเป็นอัศจรรย์แก่ผู้ปฏิบัติตามวันหนึ่งพระเจ้าอาโศกเสด็จประพาสป่ามีอัครมหาเสนาบดีรัฐคุป และข้าราชการบริพา์บางส่วนตามเสด็จด้วยสิครินชาลินีและเวยุบาลได้ตามเสด็จอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาพระราชาทรงชักชวนเจ้าชายวีตาโศพระอนุชาให้ตามเสด็จด้วยการเสด็จประพาสป่าครั้งนั้นให้ความสุขความรื่นรมแก่พระราชาและข้าราชบริพานทุกโมลาว และความรื่นรมนั้นมาสิ้นสุดลงเมื่อขบวนเสด็จมาถึงที่แห่งหนึง่งเป็นที่อาศัยบำเพ็ญตบะของลือศีทุกคนได้มองเห็นลือศีท่านหนึ่งกำลังบำเพ็ญตบะอย่างแรงกล้ามีไฟล้อมรอบตัวถึงห้ากองเจ้าชายวีตาโศผู้มีพระทัยโน้มเอียงไปในทุกระกิริยาและการบำเพ็ญพรดของพวกเดรธีอยู่แล้วจึงเสด็จเข้าไปหา กราบลมแทบเท้าของลือสีนั้นโดยอาการคารวะแล้วก็ถามว่าโอ้ท่านผู้เจริญท่านอยู่ในป่านี้มานานสักเท่าไหร่แล้วยุพ ร, ราชอาตมาอยู่ในป่านี้มาสิบสองปีแล้วลือสีตอบท่านบริโภคอะไรเป็นอาหารวิตโศกถามผลไม้และเงาท่านปกปิดกายด้วยอะไรด้วยผ้ากี่ริว้ว คือผ้าบางสกุลและใบดาภะแล้วที่นอนของท่านเล่าอาตมานอนบนหญ้าสดหรือสีตอบหน้าเลื่อมใสวีตโสกอุทานนิ่งกันไปครู่หนึ่งเหมือนไม่ทราบจะตรัสถามอะไรต่อท่านผู้เจริญอภัยข้าพระเจ้าเถิดในการบำเพ็ญพรดของท่านณนะที่นี้มีอะไรรบ ก, กวนท่านบ้างไหม หมายถึงสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อการบำเพ็ญพรตของท่านลือสีเงียบอยู่ขณะหนึ่งมีอาการลังเลเล็กน้อยในที่สุดก็ทูลว่ามีเหมือนการยุบพราชอะไรท่านผู้เจริญคราวใดอาตมาได้เห็นกวางสมัครสังวาดกันความกระสันก็เกิดขึ้นทันใดนั้นเจ้าชายวีตโศกจึงตรัสออกมาด้วยเสียงดังว่าถ้า นักพรตบำเพ็ญตะบะกล้าถึงเพียงนี้ยังไม่อาจระงับกำหนัดได้แม้เพียงเห็นกวางสังวาดกันก็ภิกษุหนุ่มและสามนเณรในพระพุทธศาสนาผู้เป็นสมณะศักยะบุตรมีปัจจัยสี่อันบริบูรณ์มีเสนาสนะอันสวยงามพร้อมอัสนะที่อ่อนนุ่มใช้ผ้าป่านเนื้อละเอียดบริโภคอาหารมีนมเนย และเนื้อเป็นต้นจะเป็นประการใดเล่าเธอทั้งหลายจะข่มความกระสันได้แลหรือเจ้าชายพูดย้ำได้เสียงอันดังต่อไปอีกว่าถ้าฤาษีผู้อยู่ป่าเปลี่ยวอาศัยอากาศน้ำและรากไม้เป็นอาหารบำเพ็ญพรตอย่างแรงกล้าเป็นเวลานานถึงสิบสองปีเมื่อเห็นกวางสังวาสกันยังไม่อาจข่มตัญหาราคาของตนได้ ยายเล่าสมณะสักยะบุตรจะบริโภคเนยนมและนานามังสาหารจะพึงบังคับตนได้มิให้ราคะกำเริบได้ถ้าท่านสมณะสักยะบุตรพึงทำได้แล้วถ้าท่านสามารถข่มตัญหาราคะได้แล้วการที่ภูเขาวินไทยจะพึงล่องลอยไปในมหาสมุทรก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างแน่นอน สงสารแต่พระเชษภาดาแห่งเราน่าจะถูกสมณาสาักยะบรหลอกลวงให้หลงเลื่อมสเขารกกราบไหว้เป็นแม่นมั่นแล้วเจ้าชายน้อยแห่งโมริยะวงศ์ก็ทรงพระสวนอย่างดังอาการนั้นเป็นไปในทํานองเยาะเยะ้ยอย่างไม่มีอะไรต้องคลางแกร่งอีกเลยจอมจักรพัทอโศกทรงแย้มน้อยๆมิได้ตรัสโต้อตอบแต่ประการใด พระอาการเยี่ยงนี้ก่อความพิศวงให้เกิดแก่ขระราชบริพารอย่างล้นเหลือแล้วรีบสั่งให้ขบวนประพาสป่ากลับสู่พระราชวังตลอดทางเสด็จกลับจอมราชันมีพระพักเฉยเหมือนไม่ทรงยินดียินร้ายต่อคำของอนุชาที่จงใจด่าพระองค์ต่อหน้าธารกำนันเมื่อเสด็จถึงพระราชวังแล้ว จึงรับสั่งให้อัครมเสนาบดีรัฐคุปปเข้าเฝ้าตรัสว่าวีตโสกน้องเราปัญญาตื้อเหลือเกินและไม่สนใจอะไรนอกจากพวกเดียรถีผู้บำเพ็ญตบะโดยหาปัญญามิได้เราจะพยายามหาอุบายที่แยบคายให้น้องเราเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงค์ให้จนได้ขอเดชะมีพระบรมราชองค์การเถิด ข้าพระพุทธเจ้าจักสนองพระบรมราชองค์การทุกประการเสนาบดีทูลเอาอย่างนี้นะเสนาบดีพระราชาตรัสเมื่อเราเข้าห้องสงจะเปลื่องเครื่องประดับสีน้มงกุฎและเครื่องหมายแห่งพระราชาออกไว้ท่านต้องพยายามหาอุบายให้วีตโศกแต่งเครื่องนั้นแล้วให้เขาขึ้นนั่งบนบันลังพยายามทาให้ได้นะ จะพยายามสนองพระบรมราชาองค์การให้สาเร็จพระเจ้าค่ะเสนาบดีทูลได้จังหวะเหมาะวันหนึ่งพระราชาเจ้าชายวิตโซและอัครมหาเสนาบดีรวมทั้งข้าราชาวัลบทั้งหลายนายรวมทั้งสีคารินและเวนุบาลด้วยนั่งสนทนากันในะห้องโถงห้องหนึ่งพระราชาทรงปรารถเรื่องต่างๆเป็นเรื่องเศร้าบ้าง เรื่องสนุกบ้างเรื่องการบ้านการเมืองบ้างเมื่อเวลาล่วงเลยไปพอสมควรทรงกำหนดว่าทุกสิ่งที่ทรงประสงค์พร้อมแล้วจึงตรัสว่าข้าพเจ้าร้อนเลือกเกินขอเข้าห้องสมก่อนท่านทุกคนยังกลับไม่ได้ ขอให้นั่งสนทนากันไปก่อนวันนี้สนุกมากตรัสเท่านั้นแล้วก็ทรงเปลื้องราชาพรไว้และเสด็จเข้าห้องสงอาจจะนานหน่อยนะตรัสสั่งเมื่อก่อนจะล่วงทวารห้องสมเข้าไปเสนาบดีและมุขมนตรีรวมทั้งสีคริณได้จังหวะตามที่พระราชามอบหมายไว้จึงช่วยกันทูลวีตโสรเป็นทีเล่นที่จริงว่า หาพระเชษฐาที่วงคตลงเมื่อใดราชบัลังปาตลีบุตรก็จะได้ต้อนรับพระราชาองค์ใหม่ซึ่งยังหนุ่มแน่นฉเฉลียวฉลาดและสง่างามยิ่งนักอีกนานวีตศกตรัสเจ้าพี่พระชนมายุแก่กว่าข้าพเจ้านิดเดียวอาจตายพร้อมๆกันถ้าทั้งสองคนตายตามอายุไขแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่า รัชบั ล, ลังปาตาลีบุตรจะต้องตกแก่เจ้าชายอย่างแน่นอนสีครินทูลอะไรทาให้ท่านเชื่อเช่นนั้นเจ้าชายตรัสถามเหตุผลหลายประการสีครินทูลและในหลายประการนั้นมีอยู่ประการหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้คือพระเจ้าอยู่หัวทรงประรพบเสมอทรงเบื่อนายราชสมบัติ ประสงค์จะสละราชสมบัติให้เจ้าชายแล้วพระองค์จะเสด็จออกทรงพนวนอย่างนั้นหรือเจ้าชายวีตศกตื่นเต้นหม่อมชันคิดว่าแน่นอนศีครินทูลลักษณะอย่างเจ้าชายนี้ถ้าสมราชาพรและสง่างามหาพระราชาแคว้นใดในชมพูทวีปปานมิดได้อัครมหาเสนาบดีทูล ลองไหมองค์ชายศีครินยุพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าพระองค์จะอยู่ในห้องสงสนานคงไม่ทันเสด็จออกหลอกจะดีหรือเจ้าชายทรงลังเลไม่เป็นลายหรอกองค์ชายเสนาบดีทูลลงทรงเครื่องราชาพรแล้วประทับบนบัลลังภายใต้นพดลสเสวิตจัดคงจะสง่างามหาน้อยไม่ เจ้าชายวีตาโศกยังยาวความเมื่อถูกผู้ใหญ่ยุเช่นนั้นก็ทรงตื่นเต้นและอยากลองเมื่ออัครมหาเสนาบดีและศรีครินเห็นเจ้าชายทรงลังเลพระทัยอยู่เช่นนั้นก็รีบนาราชาพรของพระเจ้าอาโศกมาถวายพระอนุชาเจ้าชายวีตโศกจึงลองสวมขัติยาพรทั้งปวงมีพระมหามงกุฎเป็นต้น แล้วประทับนาบัลลังทาทีเหมือนออกสั่งราชการท่ามกลางมุกอมาต ร, ราชมนตรีอัครมหาเสนาบดีและศีครินก็ทําทีเป็นเข้าเฝ้าเหมือนเวลาพระราชาออกขุนนางทันใดนั้นจอมจักรพัฒนก็เสด็จออกจากห้องสงเมื่อทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงทําเป็นกริ้วจัดทรงตวาดด้วยพระสุรเสียงอันดังว่า ดูดูวิตโศกไม่ทันไรก็คิดยั่งราชาสมบัติของเราเสียแล้วเสียแรงที่เราหลงรักหลงไว้ใจว่าเป็นน้องร่วมพระมารดายังเป็นไปได้ถึงปานนี้มิทันที่เจ้าชายวิตโศกและเหล่าเสนาบดีจะทูลความประการใดพระราชาตรัสเรียกเพชฌฆาตเข้ามาเพชฌฆาตหลายคนกรูกันเข้ามาทันทีเขาเหล่านั้นสวมเครื่องแต่งกายสีน้ำเงิน ผมยาวรุงรังถือระครัง น, น้อยคนละใบถวายบังคมแท้พระยุคลละบาทแห่งพระราชาแล้วขอเดชะพระองค์มีพระประสงค์จะให้ข้าพุทธเจ้าทำอะไรพระพุทธเจ้าค่านี่วิตโศกพระราชาตรัสกับพวกเพชฌฆาตคิดขบฏแย่งราชสมบัติพวกเจ้าจงเอาวิตโศกไปประหารชีวิตเสีย พวกเจ้ารู้อยู่แล้วมิใช่หรือว่าโทษฐานกระบทนั้นคือการประหารชีวิตพระพุทธเจ้าข่าเพชรฆาตทูลรับแล้วเข้าควบคุมองวีตาโศพระอนุชาทันทีเจ้าชายวีตโศนั้นงงจนตรัสอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูกเหลียวมองอัครมหาเสนาบดีและศีขครินด้วยอาการพยาบาททันใดนั้น ลาวเสนาบดีก็กราบลงแทบพระบาทของจอมกษัตริย์แล้วทูลว่าขอเดชะความผิดของพระอนุชาครั้งนี้เป็นไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะความยาวและความอยากรู้อยากลองข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเข้าใจว่าพระอนุชามิได้มีเจตนาไม่สุดจริตต่อฝ้าละ อ, องทุลีพระบาทแต่ประการใดฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จึงขอพระบรมราชวรโรกาสทูลขอพระราชทานอภัยโทษแก่พระอนุชา ค, ครั้งนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข่าพระราชาแต้กริ้วตอบไปกระทึบพระบาทชี้พระหัตตวาดว่าเสนาบดีพวกนี้เป็นเสนาบดี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กันขึ้นมาได้อย่างไรเรื่องเพียงเท่านี้ก็ไม่รู้โทษของผู้ทำความผิดท่านไม่รู้จริงๆหรือว่าการสวมเครื่องทรงของพระราชาโดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตนั้นมีความผิดประการใดขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทราบดีอัครมหาเสนาบดีทูลแต่ข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่า เจ้าชายวีตโศกนั้นเป็นพระอนุชาร่วมพระมารดาเพียงพระองค์เดียวของจอมราชนแห่งชมพูทวีปหากพระองค์ให้ประหารชีวิตพระอนุชาจะนำความเศร้าโศกมาสู่สมเด็จพระราชชนนีสักเพียงใดหน้าที่สมเด็จพระราชชนนีจะสิ้นพระชนเพราะตรอมพระทัยตามไปด้วยเป็นแม่นมั่นและความผิดครั้งนี้ ของพระอนุชาก็เป็นครั้งแรกและทรงกระทาไปเพราะทรงรู้เท่าไม่ถึงการยิ่งกว่ามีเจตนาเป็นอย่างอื่นด้วยเหตุผลดังกราบทูลมานี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล่าวว่าควรอภัยโทษให้พระอนุชาเสียครั้งหนึ่งก่อนพระพุทธเจ้าค่าพระราชาทำทีเป็นทรงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งทอดพระเนตรเห็นพระอนุชา แล้วหันมาจ้องตาอัครมหาเสนาบดีแล้วตรัสว่าเอาเถอะเมื่อวีตโสกน้องเราปรารถนาจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะเป็นรายไปเราจะอนุญาตให้เจ็ดวันหลังเจ็ดวันแล้วจะประหารชีวิตเสียพอจบพระราชดำรัสว่าให้เป็นพระราชาเจ็ดวันเท่านั้นเสียงดุริยางอันไพเราะก็บรรเลงขึ้นทั้งเสียงคลอดนตรีว่า ขอให้ทรงทรงพระเจริญก็แววมากระทบพระโสดแห่งเจ้าชายน้อยวีตาโศต่อจากนั้นเมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปว่าบัดนี้เจ้าชายวีตาโศได้ขึ้นครองราชแล้วประชาชนนับพันได้เข้ามาเฝ้าทุกคนเหยียดแขนถวายบังคมนางบำเรอนับร้อยได้เข้าห้อมล้อมพระองค์มีอาการพร้อมอยู่เสมอที่จะสนองพระบัญชาทุกประการ ในลักษณะการที่ห้อมล้อมด้วยพระสนมกำนานและข้าราชบริพารพระอนุชาได้เสด็จไปสู่พระราชฐานอันควรแก่พระราชาผู้กรองราชใหม่ความตื่นเต้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันด่วนมีมากเกินไปจนพระเจ้าวิตโศกไม่มีพระทัยเหลียวดูพระสนมกำนานหรือพอใจในเสียงดนตรีไพเราะปานทิพย์ดุริยางนั้นอันหนึ่งเล่า การคำนึงถึงความตายอันจะมีมาในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันนั้นทำให้พระองค์ไม่มีความรู้สึกสุขสำราญต่อสมบัติต่างๆที่พระเชษฐาาดาได้มอบให้เลยพวกเพชฌฆาตเล่าเมื่อพระอาทิตตกดินก็เข้าเฝ้าทูลให้ทรงทราบว่าเวลาสิ้นไปแล้ววันหนึ่งเหลืออีกหกวันก็จะนำพระองค์ไปประหารชีวิตทาอยู่อย่างนี้ทุกวัน บัตรนี้เจ้าชายวิตโสรได้ทราบด้วยพระองค์เองแล้วว่าความสุขใจในสมบัติอันล้าค่าของมนุษย์คนเราจะอยู่ที่ใดก็ตามมีสมบัติบริวารที่คอยอำนวยความสุขสักเท่าใดก็ตามหากใจไร้ความสุขแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไร้ความหมายดูมันจะก่อความรำคาญให้มากกว่าให้ความสุขความกลัวตาย เป็นความกลัวยิ่งใหญ่ของมนุษย์และศาสตร์ทั่วไปพระองค์ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงกฎนี้ได้ชีวิตเราเมื่อยังอยู่กับเราก็มั่นคงมนุษย์ก็ดูเฉยต่อมันแต่พอทราบว่าจะสูญเสียชีวิตนั้นไปมนุษย์ก็จะเศร้าเสียดายและรู้สึกว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่อะไรเช่นนั้นเจ้าชายวีตโศกไม่เคยนึกเลยว่า พระชนชีพของพระองค์จะสั้นถึงปานนี้ความยืดยาวแห่งอายุเป็นความปรารถนาประการหนึ่งของมนุษย์นอกจากความต้องการทรัพย์การจ่ายทรัพย์บริโภคและความสุขความเริงใจอันเกิดจากไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแต่ความหวังดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้โดยยากและยิ่งมีความปรารถนามากเท่าใด ก็ยิ่งได้ยากมากขึ้นเท่านั้นนางสนมกำนันที่สวยงามเสียงดนตรีประโคมอันไพเราะพชนาหารประนีตอันควรแก่พระราชาเสวยเหล่านี้ไม่อาจให้ความสุขสำราญแก่เจ้าชายน้อยให้ควรแก่คุณค่าของมันเลยเพราะพระองค์ทรงจรินตนาการถึงแต่ความตายซึ่งรอยอยู่เบื้องหน้าเพียงหกราตรี ประหนึ่งบุคคลผู้มีธาตุแห่งความคลาดยืนอยู่ต่อหน้าเสือโครง่งที่จังก้าจ้องตะคุบเป็นอาหารเจ้าชายยังหนุ่มแน่นยังไม่ได้ใช้ชีวิตให้สมแก่คุณค่าของมันย่างเสียดายชีวิตเหลือเกินหากต้องสิ้นพระชนลงในเวลานี้แต่ชีวิตความเจ็บป่วยเวลาตายสถานที่ทอดทิ้งร่างกาย และคติหรือภูมิที่จะไปเบื้องหน้าหลังจากตายแล้วเป็นการยากที่จะรู้ว่ามาถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงมีแต่ความลังเลความไม่แน่ใจในชีวิตของตนเองพร้อมกันนั้นบางคนก็ทุ่มชีวิตลงไปในโคลนตมแห่งความชั่วช้าสามานเขาไม่ได้มีความกล้าหารต่อชีวิตเลยแต่เขาคลาดต่อชีวิต ขลาดอย่างเหลือเกินไม่กล้ า, ผาเผชิญชีวิตอย่างทรห็ดอดทน